ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกเจอธรรมหรือธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าใจอันโทษประทุสร้ายแล้วจะพูดก็ตามจะทำก็ตามความทุก์ย่อมติดตามไปเพราะเหตุนั้นเหมือนล้อเกวียน ตามรอยเท้าโคฉะนั้นทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ตามจะทําก็ตามความสุขย่อมติดตามไปเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นข้อความจากธรรมบท 72. บสองเวนย่อมระงับด e, ah ้วยการไม่จองเวนผู e, au au, au au, au ah au, au ้ผูกเวนว่าเขาด่าเราเขาทำร้ายเราเขาชนะเราเขารักของเราไปเวนของผู้นั้นย่อมไม่ระงับผู้ไม่ผูกเวนว่าเขาด่าเราเขาทำร้ายเราเขาชนะเราเขาลักของของเราไปเวนของผู้นั้นย่อมระงับ เวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเลยในการไหนๆแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรต่างหากธรรมหรือธรรมะนี้เป็นของเก่าคนอื่นย่อมไม่รู้ด้วยหรอกว่าพวกเราย่อมย่อยยับกันลงไปในการจองเวรกันนี้เองในคนเหล่านั้นผู้ใดรู้ได้แต่นั้นความหมายมั่นจองเวรของเขาย่อมระงับไป ข้อความจากธรรมบท73สากำลังเจ็ดประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังเจ็ดประการเหล่านี้คือหนึ่งศรัทธาภละกำลังคือความเชื่อหมายเหตุจากในหนังสือว่าในที่ใดสอนให้มีความเชื่อในที่นั้น จะสอนให้มีปัญญากำกับอยู่ด้วยเสมอในที่นี้สอนเรื่องความเชื่อไว้เป็นข้อแรกส่วนเรื่องปัญญาไว้ข้อสุดท้ายย้อนอีกทีนะครับ 1. ศรัทธาภละกำลังคือความเชื่อ 2. วิริยระภละกำลังคือความเพียร 3. หิหริภละกำลังคือความละอายต่อบาป 4. โอตัปปะพละกำลังคือความเกรงกลัวต่อบาป 5. สติพละกำลังคือสติความระลึกได้ 6. สมาธิพละกำลังคือความตั้งใจมั่น 7. ปัญญาพละกำลังคือปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังเจ็ดประการเหล่านี้แล ขอความจากสัตตกนิบาตอังคุตระนิกาย74คำอธิบายกำลังเจ็ดประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือความเชื่อเป็นชไหนอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตพระผู้มีพระภาคนั้น 1. เป็นพระอาหารหันต์ผู้ไกลาจากกิเลส 2. เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ 3. เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ 4. เป็นผู้เสด็จไปดี 5. เป็นผู้รู้จักโลก 6. เป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกอย่างเยี่ยม 7. เ, เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ 8. เป็นผู้ตื่นรวมทั้งปลุกผู้อื่นให้ตื่น 9. เป็นผู้มีโชคเพราะทำเหตุที่จะให้เกิดโชคไว้นี้แหละิกษุทั้งหลายเรียกว่ากําลังคือความเชื่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายกําลังคือความเพียรเป็นชนัยอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ตั้งความเพียรเพื่อละอกุศลละธรรม คือทำฝ่ายชั่วเพื่อทำให้กุศ ล, ลธรรมคือทำฝ่ายดีสมบูรณ์เป็นผู้ลงแรงบากบั่นมั่นไม่ท้อทุระในกุศ ล, ลธรรมนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่ากำลังคือความเพียรดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือความละอายต่อบาปเป็นชนอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีความละอายคือละอายต่อกายทุจริตความประพฤติชั่วทางกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วทางวาจามโนทุจริตความประพฤติชั่วทางใจละอายต่อการประกอบอกุศลบาปกรรมทั้งหลายนี้แหละพิสูจนทั้งหลายเรียกว่ากำลังคือความละอายต่อบาปดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย กำลังคือความเกรงกลัวต่อบาปเป็นชนัยอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเกรงกลัวคือเกรงกลัวต่อกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตเกรงกลัวต่อการประกอบอากุศลบาปกรรมทั้งหลายนี้แหลภิกษุทั้งหลายเรียกว่ากำลังคือความเกรงกลัวต่อบาปดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กำลังคือความระลึกได้เป็นไนอริยส า, าวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะอันยอดเยี่ยมย่อมระลึกได้ย่อมนึกออกถึงสิ่งที่กระทาไว้นานแล้วถึงถ้อยคำที่พูดไว้นานแล้วได้นี้แหละิิสุทั้งหลายเรียกว่ากำลังคือความระลึกได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือความตั้งใจมั่นเป็นฉนหนอริยสาวกในพระธรรมวิเนยนี้สงัดจากกามคือความใครในอารมณ์ที่น่าใครสงัดจากอากุศลธรรมเข้าสู่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่ากำลังคือความตั้งใจมั่น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือปัญญาเป็นไนอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยปัญญาเห็นความเกิดความดับเป็นปัญญาอันประเสริฐทาแรกกิเลสได้ทําให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่ากำลังคือปัญญา 75ถึง88เป็นข้อความจากธรรมบททั้งหมด75ามานย่อมขมเหงและไม่ขมเหงคนเช่นไรผู้มักเห็นว่าสวยงามไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้ประมาณในการบริโภคเกียดคร้านมีความเพียนเลว มารย่อมข่มเหงผู้นั้นแหละเหมือนลมทำลายต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงฉะนั้นผู้ไม่มักเห็นว่าสวยงามสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ประมาณในการบริโภคมีศรัทธาปรารบความเพียรมารย่อมไม่ข่มเหงผู้นั้นเหมือนลมไม่ทำลายภูเขา อันล้วนด้วยศิลาฉะนั้น76กาสาวพัดกับกิเลสอันเปรียบเหมือนน้ำปาดผู้ใดยังไม่ปราศจากกาสาวะคือกิเลสอันเปรียบเหมือนน้ำปาดปราศจากธรรมะความขมใจและสัจจะความจริงใจมานุ่งห่มกาสาวพั ผู้นั้นหาสมควรนุ่งห่มกาสาวพัทไม่ผู้ใดขายกิเลสที่เปรียบเหมือนน้ําฝาดได้แล้วตั้งมั่นดีในศีลประกอบด้วยธรรมะความขมใจและสัจจะความจริงใจผู้นั้นแหละยอมสมควรนุ่งห่มกาสาวพัทหมายเหตุสําหรับคําว่ากาสาวะเป็นการเล่นถ้อยคําในบาลี ที่เปรียบกิเลสเป็นน้ำฝาดส่วนผ้ากาสาวพัดก็คือผ้าย้อมน้ำฝาดหรือผ้าเหลืองที่พระใช้นุ่งหม่ม77จะบรรลุสิ่งเป็นสาระก็ด้วยเข้าใจสาระผู้เห็นในสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นในสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ มีความดมริผิดเป็นทางไปย่อมไม่ได้บรรลุสิ่งที่เป็นสาระผู้รู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระมีความดมริชอบเป็นทางไปย่อมบรรลุสิ่งเป็นสาระได้78ฝนรั่วรถที่เทียบด้วยราคะคือความติดใจ เรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมร่วรอดได้ฉันใดจิตที่อบรมไม่ดีราคะคือความติดใจก็ร่วรอดได้ฉันนั้นเรือนที่มุงดีแล้วฝนย่อมร่วรอดไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมดีแล้วราคะคือความติดใจก็ร่วรอดไม่ได้ฉันนั้นสําหรับคําว่าราคะถ้าแปลว่าความกําหนัด จะหมายความแคบเฉพาะในการมรรมแต่ในความหมายที่กว้างความติดอกติดใจในสิ่งใดๆก็ตามที่มีลักษณะเหมือนจิตใจถูกสีย้อมก็เป็นราคะทั้งสิน้นราคะมีสามอย่างติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสผุดภภพะทั้งหมดเป็นการมาราคะสำหรับการติดใจในรูปประชานเป็นรูประราคะ ติดใจในอรูปฌานเป็นอรูปราคะ79ผู้เศร้าโศกกับผู้บันเทิงในปัจจุบันและอนาคตคนทำความชั่วยอมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคือเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วก็เศร้าโศกเขายอมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นการกระทำอันเศร้าหมองของตน คนทำบุญย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วก็บันเทิงเพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งการกระทำของตน 80. พูดมากไม่ทำกับพูดน้อยแต่ทำคนที่พูดถ้อยคำมีประโยชน์แม้มากแต่เป็นผู้ประมาทไม่ทำตามถ้อยคำนั้นผู้นั้น ย่อมไม่ได้มีส่วนแห่งคุณธรรมที่ทำให้เป็นสมณะเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคให้ผู้อื่นแต่ไม่มีส่วนแห่งน้ำนมโคฉะนั้นคนที่พูดถ้อยคำ ม, มีประโยชน์แม้น้อยแต่ประพฤติตามธรรมละราคะโทสะและโมหะได้รู้อยู่โดยชอบมีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีไม่ถือมั่นในโลกนี้หรือโลกอื่น ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมที่ทำให้เป็นสมณะ8ปอความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าไม่ตายผู้ประมาทย่อมเหมือนคนตายแล้วบัณฑิตทราบข้อความนี้โดยพิเศษแล้ว ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยินดีในธรรมหรือธรรมะเป็นที่เที่ยวไปแห่งจิตของพระอริยะทั้งหลายย่อมบันเทิงในความไม่ประมาทผู้นั้นมีความเพ่งทําความเพียรติดต่อมีความบากบั่นมั่นเป็นนิจเป็นผู้ฉลาดย่อมได้บรรลุพระนิพพานอันปลอดโปร่งจากโยคะคือกิเลส ท, ที่ประกอบสัตว์ไว้ในความเวียนว่ายตายเกิด 82. ยศเจริญแก่คนเช่นไรยศย่อมเจริญแก่คนที่มีความมัน่นมีสติมีการงานสะอาดใกล้ครวนแล้วจึงทรรมสำรวมระวังครองชีวิตอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาท 83. เกาะชนิดไหนน้ำไม่ท่วม ห้วงน้ำย่อมไม่ท่วมทับเกาะใดผู้มีปัญญาพึงสร้างเกาะหรือที่พึ่งนั้นขึ้นด้วยคุณธรรมคือความมัน่นความไม่ประมาทความสำรวมระวังและความรู้จักข่มใจ 84. คนพาลกับคนมีปัญญาคนพาลผู้มีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาทเนืองนิด ส่วนผู้มีปัญญาย่อมประกอบหนึ่งเนืองแต่ความไม่ประมาทเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้น85ผู้เช่นไรบรรลุสุขอันภัยบูนท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความประมาทและความชิดเชื้อกับความยินดีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งธรรมหรือธรรมะอยู่ ยอมได้บรรลุความสุขอันไพยบูนณ์ 86. ขึ้นสู่ที่สูงมองดูคนข้างล่างเมื่อใดบัณฑิตรุนความประมาทออกด้วยความไม่ประมาทได้เมื่อนั้นบัณฑิตขึ้นสู่ประสาสตคือปัญญาเป็นผู้ไม่เศร้าโศกย่อมมองเห็นประชาสัตว์ผู้เศร้าโศกผู้มีปัญญา ย่อมมองเห็นคนผ่านได้เหมือนคนยืนอยู่บนภูเขามองเห็นคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินฉะนั้น 87. ผู้มีปัญญาเหมือนม้ามีฝีเท้าเร็วผู้มีปัญญาเมื่อคนทั้งหลายประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อคนทั้งหลายหลับคือหลับราะกิเลสเป็นผู้ตื่นอยู่โดยมาก ย่อมขึ้นหน้าคนมีปัญญาสามไปเหมือนมา้ามีฝีเท้าเร็วขึ้นหน้าม้าที่ไม่มีกำลังไปฉะนั้น 88. ดีเหนือผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเท้ามขวาคือพระอินทร์บรรลุความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาทั้งหลายด้วยความไม่ประมาทบัณฑิตสันเสริญความไม่ประมาท ตเตือนความประมาททุกเมื่อข้อความตั้งแต่75ถึง88เป็นข้อความจากธรรมบท